ไม่ได้มาหลายปีแล้วนะตอนนั้นบวชเนอายุเนทะ่าไหร่12ได้ครับ12อันนี้20นะ22 22ครับ10ปีคุณพ่อก็มาบวชที่นี่เลยบวชหนะรือเปล่านะบวชคับบวชเลยวรนจันทเร็วนะเวลาผ่านไป ชีวิตของพวกเราตอนเด็กก็ต้องไปเรียนหนังสือกันไปหาวิชาความรู้เพื่อจะได้หาเงินหาทองหาอะไรต่างๆพ อ, อหามาได้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องมาเรียนวิชาธรรมะต่อวิชาธรรมะจะสอนให้เราเ อ, อปล่อยวางของทุกอย่างที่เราหามาได้เก อ, อ เราต้องคืนทุกอย่างไปของในโลกนี้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่เป็นของเราเราหามาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปเราก็ต้องคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้ถ้าเราคืนไม่เป็นปล่อยไม่เป็นเราก็จะทุกข์นี่คือชีวิตของเราตอนต้นต้องเรียนวิชาทางโลกก่อนเช่นไปเรียนมหาลัย ไปได้วิชาปริญญาเดโทเอกพอเรามีปริญญาเราก็สามารถที่จะไปทำงานหาเงินหาทองหาข้าวของหาอะไรต่างๆมาได้แต่ถ้าเราเรียนเพียงแต่วิชาหาไม่เรียนวิชาปล่อยไม่ถึงเวลาที่จะต้องปล่อยเราจะปล่อยไม่เป็น ถ้าเราปล่อยไม่เป็นเราจะทุกข์ถ้าเราปล่อยเป็นเราจะไม่ทุกข์เราจะสุขการเรียนความรู้ทางโลกยังไม่พอเพียงยังไม่สามารถที่จะป้องกันใจของเราไม่ให้ทุกข์กับการปล่อยทุกข์กับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ ทางโลกเขาจะสอนเพียงทางด้านเดียวสอนวิธีหาวิธีหาเงินหาทองวิธีหายศหาตำแหน่งวิธีหาสารรเสริญหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกเล่นกายทางโลกสอนเพียงวิธีหาเท่านั้นเองแต่ทางโลกไม่ได้สอนวิธีปล่อยหรือวิธีคืน ของที่เราหามาได้เพราะของที่เราหาไม่ได้นั้นมันไม่ได้เป็นของเราเดี๋ยวเวลาเราจากโลกนี้ไปเราก็ต้องคืนของทุกอย่างที่เราหามาได้ไปถ้าเราคืนไม่เป็นปล่อยไม่เป็นเราก็จะทุกข์มากเวลาคนที่จะตายนี้เขาจะทุกข์กันมากเพราะเขาปล่อยไม่เป็นคืนของไม่เป็น ไปยืมของก็ามาแล้วพอถึงเวลาจะคืนคืนไม่เป็นปล่อยไม่เป็นไม่ยอมคืนไม่ยอมปล่อยก็เลยเกิดความทุกข์กันขึ้นมาแต่ถ้าได้มาศึกษาทางธรรมศึกษาทางทางการปล่อยวางทางการคืนข้าวของต่างๆคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มา สิ่งที่เราได้มาสิ่งแรกก็ก็คือร่างกายของเราใช่ไหมเวลามาเกิดนี่เราได้อะไรมาก่อนเอามาจากท้องแม่มีอะไรบ้างก็มีร่างกายที่มีอาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนี่คือสมบัติชิ้นแรกที่เราได้กันเวลาที่เรามาเกิดในโลกนี้ แล้วพอแม่ก็เลี้ยงดูเราให้อาหารให้อะไรต่างๆพอเราโตก็ส่งให้เราไปเรียนหนังสือให้เราไปหาวิชาความรู้พอเรียนจบเราก็ไปทำงานได้ไปสมัครงานเอาปริญญาไปยื่นให้เขาบอกได้ปริญญาตรีโทเอกเขาก็จะหางานให้เหมาะกับปริญญาของเรา ปริญญาตรีก็ได้เงินเดือนระดับหนึ่งปริญญาโทก็ได้อีกระดับหนึ่งปริญญาเอกก็ได้อีกระดับหนึ่งพอเราได้เงินมาที่นี้เราก็มาซื้อสิ่งที่เราอยากได้กันซื้อข้าวซื้อของซื้อบ้านซื้อรถซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆแล้วก็ไปซื้อคู่ครอง ไปซื้อสามีไปซื้อภรรยาตออมาก็ไปซื้อลูกได้ลูกมาก็ต้องซื้ออาหารมาเลี้ยงลูกก็เหมือนกับซื้อลูกได้ภรรยาได้สามีมาก็ต้องซื้ออาหารซื้ออะไรมาเลี้ยงกันเอี๋ยเรารู้จักวิธีหากันทุกคนหากันได้หาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย เต่นว่าใครจะเก่งกักันคนที่หาเก่งก็รวยเป็นใหญ่เป็นโตถ้าคนหาไม่เก่งก็ไม่ใหญ่ไม่โตไม่รวยพออ่อ่พอกินไปวันวันหนึ่งแต่ทุกคนไม่ไม่รูว่าของต่างๆที่หามาได้นี้ไม่ได้เป็นของเราเป็นของยืมเข้ามาเดี๋ยววันหนึ่งต้องคืนเข้าไป ร่างกายนี้เดี๋ยวเราก็ต้องคืนเข้าไปร่างกายเวลาไม่หายใจนี้ก็แสดงว่าเราคืนเขาแล้วเข้ามาเอาคืนแล้วสับปเปลอมาขอรับไปนะไปคืนใครเป็นเจ้าของร่างกายนี้ก็คือธรรมชาติเนี่ยดินน้ําลมไฟธาตุสี่ร่างกายของเรานี้ทามาจากธาตุสี่ดินน้ํนลมไฟ แล้วพอถึงเวลาก็ต้องคืนเขาไปอ่ายินดีหรือไม่ยินดีจะยอมไม่ยอมก็เขาไม่สนใจเหมือนคนที่เขามายึดบ้านยึดของเรายึดรถเราที่เราไปซื้อแล้วเราไม่มีเงินจ่ายเขาไม่มีเงินผ่อนพอขาดผ่อนเขาก็มามายึดร่างกายของเราก็เหมือนกับ ของที่เราไปซื้อมาหรือไปยืมเข้ามาไปเช่าเขามาพอถึงเวลาเขาก็จะมาเอาคืนไปสมบัติก็เหมือนกันลาบยศสรรเสริญ เ, เงินทองตำแหน่งประกาศเกียรติคุณต่างๆาการยกย่องสรรเสริญเยืนยอ แล้วความสุขที่เราได้จากการไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเงินทางนี้ถ้าเราไม่รู้จักรักษาก็อาจจะหมดได้ล้มละลายได้ตำแหน่งถ้าเราทำไม่ถูกทำงานไม่ถูกก็อาจถูกเขาปลดได้การสรรเสริญ ถ้าเราทำไม่ถูกทำไม่ดีเขาก็ไม่สรรเสริญเขาก็จะาหนิิเตียนปนามเราเรารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราเสพถ้าเราไม่มีเงินก็ไปซื้อมาไม่ได้อยากจะดูหนังก็ไม่มีเงินซื้อหนังมาดูอยากจะฟังเพลงก็ไม่มีเงินไปซื้อแผ่นมาฟังอยากจะไปเที่ยวก็ไม่มีเงินไปเที่ยว อันนี้คือความแม่แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เราหามากันได้ภรรยาของเราสามีของเราลูกของเราก็วันดีคืนดีก็จะจากเราไปก็ได้สามีอาจจะไปมีแฟนใหม่ก็ได้ภรรยาอาจจะไป ม, มีแฟนใหม่ก็ได้หรืออาจจะตายไปก็ได้ ทางโลกก็ไม่สอนวิธีคืนของเหล่านี้ให้คืนอย่างไรให้ปล่อยอย่างไรพอเวลาที่เราต้องคืนเวลาที่เราต้องปล่อยเราเลยต้องร้องห่มร้องห้ากันมีความทุกข์กันถ้าเราได้มาศึกษาทางธรรมมาได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนให้เรารู้ รู้จักวิธีปล่อยกันคือสอนว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ได้เป็นของเราเป็นของชั่วคราวเวลาเรามาเรามาตัวเปล่าๆ เ, เราไม่มีอะไรติดตัวมาร่างกายนี้ก็ของพ่อแม่ให้เรามาแล้วของต่างๆก็เราหากันมาด้วยการไปเรียน วิชาความรู้ต่างๆแล้วก็ไปทำงานหาเงินไปซื้อของต่างๆมาแล้วเดี๋ยวเวลาเราตายไปเราก็ต้องคืนทุกอย่างไปหมดร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้ข้าวของเงินทองสามีภรรยาบุตรธิดาอะไรต่างๆที่เรามีนี้ก็จะเอาไปไม่ได้ท่านบอกว่า เรามาตัวเปล่าเล่าแล้วเวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าเปล่าเวลาเราไปที่เราทุกข์กันเขาเราไม่ยอมไปแบบตัวเปล่าเปล่าเราอยากจะเอาทุกอย่างที่เป็นของเราไปด้วยแต่เราเอาไปไม่ได้เลยเกิสิ่งที่เราจะได้เรรู้จากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ส่งสอนว่าพวกเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันลวงพ้นความแก่ความเจ็บความตายลวงพ้นการพัดพลาดจากกันไม่ได้แต่พวกเราสามารถที่จะแก่เจ็บตายพัดพลาดจากกันได้อย่างไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจถ้าเราคอยสอนใจเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆ ว่าของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันไม่ได้เป็นของเราเป็นเหมือนของที่เรายืมเข้ามาเวลาเราไปยืมของเขานี้เราพร้อมที่จะคืนเจ้าของไหมพร้อมใช่ไหมพอไปยืมรถเข้ามาใช้ใช้เสร็จก็เอาไปคืนเขาเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเอใช้เสร็จยืมยืมหม้ อ, อข้าวเข้ามาใช้ใช้เสร็จก็ไปคืนเขาอ ถ้าเรายินดีจะคืนมันก็ไม่ทุกข์แต่บางคนนี่ชอบยืมแล้วทำเป็นลืมลืมว่าไปยืมเข้ามาไม่ยอมคืนพอ <c oughs> เจ้าของมาทวงก็โกรธเจ้าของอีกไปว่าเขาห่วงบง้งไปว่าเขาใจแคบบ้างไอ้ทีเราไปเอาของของเขาแล้วไม่คืนกลับไม่ว่าตัวเราเองว่าเราเลว ไปขโมยของเข้ามาไปโกหกเขาว่าไปยืมของเข้ามาแล้วยืมมาแล้วก็ไม่คืนเขากลับไปว่าคนที่เขาใหเรายืมของหาว่าเขาใจแคบเราเลวกว่าเขาเราขโมยของเข้ามาด้วยการไปโกหกหลอกเขาว่าขอยืมของเข้ามาที่แท้จริงก็จะเอาเก็บไว้เป็นของเราเลยแล้วพอเขามาทวงเกืนก็โกรธ เสียใจแต่ถ้าเรารู้ว่าไม่ได้เป็นของเราเรายืมเข้ามาเดี๋ยวเขาจะมาขอคืนพอเขามาคืนก็ยกคืนเข้าไปดองนั้นเองจะไม่ทุกข์เลยของทุกอย่างที่เราหามาได้ในโลกนี้ก็เหมือนกันไม่ได้เป็นของเราร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นของเราเป็นของพ่อแม่ให้กับเรามาเป็นของขวัญ แล้วเดี๋ยวก็ต้องคืนเจ้าของเดิมไปคืนคืนคืนดินน้ำลมไฟไปเวลาร่างกายคนตายเวลาเผาน้ำก็หายไปหมดลมก็หายไปไฟก็หายไปเหลือแต่ดินนะเหลือแต่ขี้เถ้านี่ก็คือธาตุดินนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาหัดกัน หัดปล่อยวางหัดคืนของต่างๆขั้นที่หนึ่งต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องมีความเห็นให้ถูกต้องว่าของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้เป็นของเราแล้วก็มันจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งนั้นเราต้องมาหัดปล่อยวางกันเช่นเงินทองที่เราหามาได้เย ถ้าเราหามามากเกินความจำเป็นที่เราจะต้องเก็บไว้เช่นเราหามาเงินทางเราหามาเพื่ออะไรสิ่งที่จำเป็นคืออะไรคืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มถ้าเราหามาได้พอเพียงแล้วยังมีเหลือเราจะไปทำอะไรเราก็ไปซื้อของไม่จำเป็นกันไปเที่ยวกัน อย่าไปใช้เงินแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจะทำให้เราติดกับการใช้เงินจะต้องหาเงินมาใช้อยู่เรื่อยๆแล้วพอได้ของมาแล้วก็หวงของที่เราซื้อมาเราได้มาเราก็จะหวงแล้วเดี๋ยวเวลาเราต้องจากมันไปเราจะทุกข์ฉะนั้นบอกว่าอย่าไปซื้อของที่ไม่จำเป็นมาอย่าไปเที่ยว เอาเงินนี้ไปทำบุญแทนเอาเงินไปให้คนอื่นเหมือนกับไปคืนคืนคืนเจ้าของเข้าไปเงินที่เราหามาที่มากเกินกว่าที่เราต้องใช้เอาไปคืนเจ้าของด้วยการทำบุญถ้าเราทำบุญได้คืนเงินทองได้ต่อไปเวลาเราต้องสละเงินทองสมบัติเข้าของเงินทองไปเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกใจใจ อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการหัดปล่อยวางปล่อยวางเงินทองข้าวของอะไรต่างๆปล่อยวางายศถาตําแหน่งอะไรเตรียมตัวคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าตาแหน่งต่างๆที่เราได้นี้เป็นชั่วคราวจะเป็นครูจะเป็นผู้จัดการในโรงงานผู้จัดการในธนาคาร มีตำแหน่งอะไรก็สักวันหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องจบเป็นของชั่วคราวอย่าไปยึดอยาไปติดเวลาเราทำงานเดี๋ยวอายุหกสิบเขาก็จะให้เราออกจากงานแล้วเงินเดือนที่เคยได้ก็หมดไปตำแหน่งที่เคยได้ก็จะหมดไปบางคนพอเคยเป็นใหญ่เป็นโตรับราชการพออายุเกษียน ไม่มีตำแหน่งเหลือเลยไม่มีบริษัทไม่มีบริวารบางคนก็ซึมเศร้าอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรว้าเหวอุเจา้าบอกว่าเราต้องเตรียมรับกับเหตุการณ์ในวันนั้นวันที่เราจะไม่มีอะไรทําวันที่เราจะไม่มีใครมาให้ความสุขกับเราเราต้องหาความสุขในตัวเราให้ใหได้ ในตัวเรานี้มีความสุขอยู่ดีที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็คือการมาปฏิบัติธรรมการมาถือศีลมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาอันนี้จะเป็นวิธีสร้างความสุขเอกรูปแบบหนึ่ง เป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้สิ่งต่างๆไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราไม่ต้องอาศัยลาบยศสรรเสริญไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้มาอาศัยศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้จะสร้างความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญ มารักษาศีลแปดกันปกติให้รักษาศีลห้าไปก่อนทามาหากินไปทํางานนี้รักษาศีลห้าได้ไม่ไม่ขัดกันแต่ถ้าอยากจะมาปฏิบัติธรรมนี้ต้องมารักษาศีลแปดถ้ารักษาศีลห้านี้มันจะไม่พอกําลังไม่พอเหมือนขับรถขึ้นเขานี่ต้องเปลี่ยนเกียร์ ต้องใช้เกียร์ต่ำถึงจะขึ้นเขามีกำลังจะมาปฏิบัติธรรมจะมาทำใจให้สงบนี้ต้องถือศีลแปดคือศีลแปดจะห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมทางร่างกายกันเช่นไม่ให้ไปนอนกับแฟนไม่ให้กินอาหารมากเกินไปให้กินแค่เที่ยงวันก็พอแล้วก็ไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย ด้วยการดูหนังฟังเพลงดูละครไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากให้เสียเวลามันจะเอาเวกิจกรรมเหล่านี้จะเอาเวลาไปหมดไงถ้าเราไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็ไป เดี๋ยวเขามีบัตรเชิญมาให้ไปกินเลี้ยงก็ไปงานวันเกิดงานแต่งงานงานอะไรแต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็ไปไม่ได้เราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อทําใจให้สงบกันนี่คือหน้าที่ของศีลแปดเพื่อให้เรามีเวลาที่จะได้มาอยู่บ้านหรืออยู่วัดไม่ไปที่ ท่องเที่ยวไม่ไปที่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะสถานที่เหล่านั้นจะไม่ทำใจให้สงบจะทำใจให้ <c oughs> ตื่นเต้นเล้าใจใะนเวลาไปตามบาร์ตามผับนี่เป็นไงก็เปิดเพลงเป็นไงเล้าใจหมตื่นเต้นไหมความสุขแบบนั้นเป็นความสุขปลอม เป็นความสุขชั่วขณะที่เราได้ได้สัมผัสพอกลับมาบ้านก็เหงาเหมือนเดิมพอมาอยู่คนเดียวอยู่ตามลําพังก็เศร้าซ้อยหงอยเหงาแต่ถ้าเรามานั่งสมาธิกันทําใจให้สงบได้เราจะชอบอยู่คนเดียวจะไม่เหงาจะไม่ว้าวเวเรากลับจะไม่ชอบเสียงอึ ก, กทึกคึกโครน เสียงอะไรที่มาทําให้ใจเรากระตุ้นใจเราให้วุ่นวายนี่คือถ้าเราสามารถทําใจของเราให้มีความสงบได้เราก็สามารถคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้ไปเราจะมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญไม่ต้องมีร่างกายความสุขใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกาย ใช้ศีลสมาธิปัญญาสามตัวนี้ศีลก็สือส้อศีลแปดกันสมาธิก็นั่งหลับตาแล้วก็ใช้สติควบคุมความคิดพุทโธพุทโธไปถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธใจของเราก็จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ได้พอเราไม่คิดใจของเราก็ไม่มีความอยากถ้าเราคิดถึงเพื่อนเดี๋ยวก็อยากจะไปหาเพื่อน คิดถึงขนมก็เดี๋ยวก็อยากจะกินคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวกันเี่ยเราต้องหยุดความคิดกันถ้าไม่หยุดความอยากมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ใจเราไม่สงบจะทำให้ใจเราตื่นเต้นเวลาอยากไปเที่ยวนี้ตื่นเต้นมหอเวลาอยากจะได้อะไรนี้ตื่นเต้นไะเนี่ยเราต้องอย่าให้มันตื่นเต้น เราต้องการให้มันสงบต้องการให้มันนิ่งเราก็ต้องใช้สติควบคุมความคิดของเราถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งต่างๆใจก็จะไม่ตื่นไม่เต้นวิธีที่ไม่คิดก็ให้มันคิดอยู่เรื่องเดียวเช่นคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปถ้าใหม่ๆยังเห็นว่าพุทโธมันซ้ำซางเบือ่อก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ สวดอิติปิโสไปร้อยจบก็ได้อิติปิโสเวลาสวดก็ไม่ต้องนั่งสวดอันนี้การเจริญสตินี้ทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็สวดไปเลยสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงสวดอิติปิโสไปอาบน้ำไปล้างหน้าแปรงฟันไปหรือไม่เช่นนั้นก็บริกรรมพุทโธพุทโธไป คืออย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดแล้วจะเกิดอารมณ์ต่างๆตามมาเกิดความอยากต่างๆตามมาถ้าเราควบคุมความคิดได้เวลามาเรามานั่งสมาธิใจก็จะสงบใจก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะตกหลุมตกภวังเข้าสู่สมาธิพอจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิก็มีความสุขขึ้นมา ความสุขที่ไม่มีอะไรจะเทียบเท่าได้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอเราค้นพบค น, คนพบความสุขกันนี้แล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องอาศัยความสุขจากการไปเที่ยวลว้ไม่ต้องอาศัยความสุขจากการไปมีแฟนแไม่ต้องอาศัยความสุขจากการมีเงินไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆ ความสุขเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้เราก็จะปล่อยได้เราก็จะคืนของต่างๆที่เราหามาได้คืนราบยศสรรเสริญคืนรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราหามาได้ไปเวลาเราตายเราก็ตายอย่างสบายตายกับความสงบความสงบนี้แหละที่จะให้ความสุขกับเรา ที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าใจเราไม่สงบใจเราจะมีความอยากพอมีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสพอไม่มีร่างกายเราก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่พอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็จะกลับมาเกิดใหม่อย่างที่เรามาเกิดใหม่คราวนี้คราวที่แล้วเราก็มีร่างกายแบบนี้มาก่อน ร่างกายแบบนี้มันตายไปแต่ความอยากของเรามันไม่ตายไปกับร่างกายมันมากับใจมันก็เลยพาให้ใจมามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ไปหาราบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสกันใหม่จะไม่ตอนนี้พวกเรากำลังหาอะไรกันเรียนจบแล้วจะไปหาอะไรหาราบยศสารเสลดใช่ไหมหารูปเสียงกลิ่นรสใช่ไม เดี๋ยวก็หาแฟนนะเดี๋ยวก็ได้แฟนก็ได้แต่งงานแต่งแล้วเดี๋ยวก็ได้ลูกนี่นี่คือความอยากพายเรามาหากันหาเวลาหามันง่ายแต่เวลาเวลาเสียไปมันยากเวลาคืนเขาคืนเขาได้เปล่าอย่าไปคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราหาไม่ได้เราจะอยู่กับเราไปตลอดนะเดี๋ยวเราก็ต้องเสียเขาไปเราก็ต้องจากเขาไป ถ้าเราไม่รู้จักทำใจให้สงบนี้เราจะจากไปอย่างทรมานอย่างทุกเวลาอยู่ก็ทุกอยู่กับความวิตกกังวลห่วงใยวิตกว่าจะต้องจากกันห่วงใยว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้ากันกังวลว่าเดี๋ยวจะหมดเนื้อหมดตัวกังวลยังไงห่วงยังไงเดี๋ยวถึงเวลามันก็หมดงั้นเรามาเตรียมตัวเตรียมใจ คืนของทุกอย่างไปกันยินดีที่จะต้องหมดเนื้อหมดตัวถ้าเรามีความสงบมีความสุขทางใจแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่แบบขอทานได้พระพุทธเจ้านี้เคยมเป็นพระราชาโอรสมีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองแต่ท่านก็มาอยู่แบบขอทานได้สมบัติของพระพุทธเจ้ามีแค่แปดชิ้น่นั้น ใช่ไหมรู้ไหมมีอะไรบ้างแปดชิ้นบาทหนึ่งใบจีวร3สามชิ้นสามผืนใบมีดโกนที่โกนหนวดโกนผมเข็มขัดรัดเอวที่กรองน้ำเข็นกลับได้นี่คืออัฐบริการนี่คือสมบัติของผู้ที่มีความสงบทางจิตใจไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ อยู่แบบนี้สบายกว่าไม่มีอะไรต้องคืนของที่จะคืนก็ไม่มีราคาเลยบาทใบหนึ่งมันจะซักกี่ตังค์กันผ้าสามเผลมันจะซักกี่ตังค์กันใบนี่โกนอันนึง่งสมบัติแปดที่นี่รวมราคาแล้วไม่ถึงหมื่นเวลาตายสลามจากมันสบายพวกที่มีเงินร้อยล้านพันล้านนี่เวลาจากกันนี่โอ้โหหน้าเสียดายนะ โอ้ยเสียหมดเลยมีกี่ร้อยล้านกี่พันล้านนี้เอาไปไม่ได้แม้แต่เสลึงเดียวแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วเราไม่ต้องเราไม่เดือดร้อนแล้วเราไม่ต้องมีสมบัติอะไรพระพุทธเจ้าท่านพบความสงบพบพระนิพพานความสงบก็คือพระนิพพานนี้เอความปราสจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่าง คือสิ่งที่เราต้องมาละคือความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆเรามีพอแล้วสิ่งที่เราจำเป็นต่อการอยู่ของเรานี้พอแล้วเรามีอาหารมีบ้านมีเสื้อผ้ามียารักษาโรคนี้พอแล้วมีมากกว่านั้นก็มีไปก็เป็นเหมือนยาเสพติดไม่ได้ให้มีความสุขอะไรหรอกถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขแบบยาเสพติด มีแล้วก็ติดต้องมีอยู่สู้อย่ามีดีกว่าแล้วก็ต้องจากกันอยู่ดีต้องสูญเสียอยู่ดีมาอยู่กับความสงบกันดีกว่าถ้าเราเชื่อพระพุธเจ้าก็ลองทำดูไปทำงานกลับมาบ้านก็อาบน้ำอาบท่าทีวีก็ไม่ต้องมียกให้คนอื่นไป อาบน้ำอาบท่ากินข้าวเสร็จก็นั่งสมาธิแล้วก็นอนอเลือกฟังเทศฟังธรรมไปตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็มีกําลังมีเวลานอนได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปทํากิจกรรมเลยถือศีลแปดไปยกเวน้นศีลข้อที่หกข้อที่หกอาจจะต้องกินข้าวเย็นถ้าไปทํางานกลับมาเหนื่อยก็กินข้าวเย็นก่อน อาบน้ำอาบท่าแล้วก็นั่งสมาธิฟังเทศอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็นอนตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งสมาธิฟังธรรมะก่อนไปทำงานถ้าทำอย่างนี้ใจก็จะมีความสงบแล้วก็จะไม่มีอะไรต้องยึดติดไม่มีสมบัติอะไรไม่มีแฟนไม่มีลูกไม่มีอะไรที่จะร้องเสียมีอะไรก็ต้องเสียสู้อย่ามีดีกว่า เวลาเสียมันทำให้เราเสียใจเวลาไม่มีมันไม่ไม่มีอะไรจะเสียอย่าถามคนที่เสียแฟนไปเป็นยังไงเวลาได้แฟนมาแล้วเกิดแฟนปะจากเราไปปุ๊บปั๊บนี่จะทำยังไงกินไม่ได้นอนไม่หลับนะบางคนถ้าจิตใจอ่อนนี่ก็ฆ่าตัวตายเลยก็มีน้อย อ, อกน้อยใจเสีย อ, อกเสียใจ นี่คือวิธีที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขและตายอย่างมีความสุขก็คือเราต้องมาสร้างความสงบกันให้ได้มาหัดนั่งสมาธิกันแล้วก็มาหัดเรียนรู้วิชารักษาความสงบความสงบที่เราได้นี้ถ้าเราไม่รู้จักรักษามันก็จะหายไปได้อะไรที่จะมาทำลายความสงบของเราพระพุทธเจ้าก็บอกวความอยากต่างๆนี้ พออยากได้อะไรขึ้นมาใจก็เต้นนะใจก็ตื่นนะอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่นั้นเวลาอยากได้อะไรต้องหยุดมันอย่าไปอยากเพราะสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปเราก็ต้องเสียมันอยู่ดีเวลาได้มาก็ดีใจเพราะเวลาเสียไปก็จะเสียใจนี่คือศีลสมาธิปัญญาศีลแปด แล้วก็พุโทโธพุธโทโธหันนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ได้ทำใจให้สงบแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมให้รู้ว่ า, าวิธีรักษาความสงบรักษาความสุขใจนี้รักษาอย่างไรจะรักษาด้วยการไม่ทำตามความอยากถ้าเกิดความอยากก็ต้องสอนใจว่าอยากแล้วทุกข์นะของที่ได้มาก็จะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว เวลาเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์กันอยากไปอยากอยากไปได้อะไรดีกว่าอยู่กับความสงบอยู่กับความไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความว่างดีกว่าแล้วจะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องล้อมหงล้อมให้ของที่มีอยู่ที่จำเป็นก็ต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งก็จะต้องจากมันไปเช่นร่างกายสักวันหนึ่งก็ต้องจากมันไปแต่ถ้าเราไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกาย มาให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเรามีความสุขที่ได้จากความสงบตอนนี้เราสิ่งที่เราไม่มีกันก็คือความสุขจากความสงบเราก็เลยต้องไปหาความสุขจากว่าบยศสรเสริญจากรูปเสียงกิ่งร่แล้วพอเราหามาไม่ได้เราก็เสียอกเสียใจ น, ยน้อยอกน้อยใจเหงาเศร้าซ้อยว้าเหวเวลาอยากจะไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวกังเหงาว้าเว เวลาอยากจะมีแฟนไม่มีแฟนก็เหงาว้าเวแต่ถ้าเรามาหันนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราจะไม่เหงาจะไม่ว้าเวเราจะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการมีแฟนจากการไปเที่ยวจากการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกาย ร่างกายแก่เราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายเราก็ไม่เดือดร้อนนี่คือวิชาทางธรรมที่พวกเราต้องมาศึกษากันแล้วปฏิบัติตามให้ได้ถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขและจากโลกนี้ไปอย่างมีความสุขเพราะสักวันหนึ่งเราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปวิชาทางโลกเขาสอนให้เราหาทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ก็ไม่สอนวิธีให้เราปล่อยให้เราคืนทุกสิ่งทุกอย่างเขามีแต่สอนให้เราหาอย่างเดียวพอเวลาต้องเสียไปนี่ร้องห่มร้องไห้กันเจ้าโศกเสียใจกันเราเลยต้องมาพึ่งวิชาทางธรรมวิชาของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรารู้ว่าของทุกอย่างที่เราหามาได้นี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างถาวรเป็นของเราเพียงชั่วคราวเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเขาไป วิธีที่จะคืนไปอย่างสบายใจก็คือเราต้องมามีความสงบมีความสุขภายในใจเราเมื่อเรามีความสงบมีความสุขเราก็ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆพึ่งเท่าที่จำเป็นถ้าถึงเวลาพึ่งไม่ได้ก็ยกก็คืนเข้าไปเช่นพึ่งร่างกายถ้าถึงเวลาต้องตายก็ให้มันตายไปเพราะเราไม่ต้องพึ่งมันจริงๆ พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ตัดสรู้ได้เป็นพระพุทธเจ้าได้พบกับความสงบแล้วท่านไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วแต่ท่านยังใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นท่านเอาร่างกายนี้มาสั่งสอนผู้อื่นมาแสดงธรรมอยู่ถึงสี่สิบห้าปีด้วยกันเพื่อให้ผู้อื่นที่ไม่รู้วิธีปล่อยวางวิธีคืนของต่างๆที่หามาได้ให้รู้จักวิธีคืนเข้าคืนของคืนสมบัติต่างๆ ยังไม่มีความทุกข์ใจแต่ถ้าร่างกายท่านต้องตายเมื่อไหร่ท่านก็ยินดีท่านไม่เสียดายเพราะท่านไม่ได้ใช้ร่างกายให้ความสุขกับท่านคนที่มีความสงบมีความสุขทางใจแล้วไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งอะไรต่างๆถ้าจะต้องเสียอะไรไปจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์จะอยู่อย่างมีความสุขและจะจากโลกนี้ไปอย่างมีความสุข เราจะจากไปอย่างไม่กลับมาอีกต่อไปเพราะถ้ากลับมาก็ต้องมาทุกกับร่างกายทุกกับการหาทํามาหากินทุกกับการไปโรงเรียนเรียนหนังสือทุกข์มาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไปเรียนหนังสือมาเกือบยี่สิบปีแล้วมั้งสิบกว่าปีกลับเดี๋ยวกลับมาเกิดคราวหน้าก็มาเริ่มต้นใหม่เพราะเดี๋ยไปเกิดอีกประเทศหนึ่งก็ต้องไปเรียนภาษาใหม่ ไปเรียนเอบีซีไปเรียนกอไก่ใหม่ไปเรียนวิชาความรู้ใหม่แล้วก็มาหาเงินหาทองหาข้าวหาของแล้วเดี๋ยวเวลาตายไปก็ต้องทิ้งทุกอย่างไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาหาใหม่อีกนี่นี่เกิวิถีชีวิตของพวกเรามันเป็นอย่างนี้มาตลอดและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจนกว่าเราจะมาพบกับพระพุทธศาสนา พบจักพบกับวิธีหาความสุขที่ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่คือความสุขที่ได้จากความสงบของใจดังนั้นต่อไนนี้ขอให้เราพยายามเรียนและพยายามปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าสอนให้เราทําทานอย่าเอาเงินไปซื้อของไม่จําเป็นอย่าเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินนี้ไปทําบุญทําทานแทนแล้วก็มาถือศีล มานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมแล้วต่อไปใจเราจะมีความสุขแล้วเราจะได้ไม่ต้องพึ่งอะไรเราก็จะคืนของทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างไม่มีความทุกข์ใจก็การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะธาวะริวะหาภูราภิริภูเรนติสากหลังเอวเมวอิโตทินางเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏจจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสาเพภุเรนตุสังกาปาจันโทปนระโสยะธามะนิโชติ ขระโสยะาสพิตโยวิวาชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีฤทสานิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรมมวทาติอายุวันโอสุขัง เดี๋ยวนี้มีถ่ายทอดสดทุกวันเนี่ยอันนี้ถ่ายทอดสดผ่านทาง y o u t u ู e กับเ c e b o o k บ่ายสองโมงก็อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้ฟังเกืบทุกวันฟังทุกวันนะ <c oughs> ดูย้อนหลังก็ได้มีเก็บไว้เดี๋ยวนี้มีคนติดตามแปดหมื่นกว่าเลยแมืนกว่าคน วันหนึ่งก็เข้ามาดูประมาณห้าหกพันคนติดตามสดตอนนี้เท่าไหร่สามร้อยสูงสุดวันนี้ <3 99. S 2> สามร้นนอยเก้วสเก้าสามร้อยเก้าาประมาณนี้มากกว่าประมาณสี่ร้อยกว่าก็มีประจำประมาณนี้ทุกวันสามร้อยกว่าสี่ร้อยแล้วก็ดูดูติดตาม ด, ดูดูย้อนหลังรวมกันก็ห้าพันกว่าห้าหกพัน แต่ที่ติดตามหน้าเพจนี้มียอดอยู่แปดหมื่นกว่าคล้ยเสกีได้เหมือนเดิมนะอาจารย์ฮะยังหาตาเหมือนเดิมเหมือนเดิมอก็คนเดิมอไม่แก่เลยดูไม่แก่ลเกลียเลยตตอนนี้ หกสิบเก้าปีนี้ปลายปีเจ็ดสิบเกิดปลายปีเกิดพฤศจิกาพฤศจิกาก็ครบเจ็ดสิบเกิดเก้าศูนย์เกิดปีกุนเก้าศูนย์มีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะ ไม่มีก็ไม่เป็นไรทไม่อยากตอนนี้กําลังฝึกงานอยู่กับพระอาจารย์ไม่อยากก็บวชซิไม่อยากทำงานไม่เห็นทุกข์ละไม่เห็นทุกข์ไม่อยากก็บวชซิบวชก็ดีที่สุดน่ะไม่มีอะไรที่งานไม่มีงานอันใดในโลกนี้จะดีเท่ากับการบวชเป็น งานบวชงานเดียวนี้ที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดงานทุกอย่างในโลกนี้ยังต้องทําให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่มีงานบวชนี้งานเดียวพอพุทธเจ้าเลือกงานนี้ท่านมีทางไปได้สองทางถ้าอยู่เป็นพระกษัตริย์ก็จะเป็นมหาจากักรพรรดิบารมีท่านมีมากสามารถทําสงคราม ครอบครองอาณาจักได้อย่างกว้างใหญ่ไพศาลแต่ท่านเห็นว่ามันเป็นทางแห่งความทุกข์ท่านเห็นว่าร่างกายต่อไปก็ต้องแก่เจ็บตายหามาได้มากเท่าไหร่พอตายไปก็หมดไปแล้วก็ต้องไปทำบาปทำกรรมทำสงครามสู้มาเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่ามาทำประโยชน์ให้กับโลก พวกเราได้รับประโยชน์จากพุทธเจา้านี้นับจำนวนมหาศาลถ้าไม่มีพุทธเจา้านี้จะไม่มีพระอาหารหันตสาวกแม้แต่รูปเดียวเพราะไม่มีใครรู้ทางนี้พวกเรามันเป็นคนตาบอดคำทางต้องรอคนที่ตาสว่างตาดีมานำทางนานๆจะมีคนตาสว่างอย่างพุทธเจ้ามาเกิดสักครั้งหนึ่งแล้วมาพบทางแห่งการหลุดพ้น จากการเวียนว่าตายเกิดพอมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี้มีพระอนันตสาวกเยอะแยะเลยเป็นล้านแล้วมุ่งนี้ท่านรวบรวมนับตั้งแต่ยุคพุทธกาลมาถึงเนี่ยสองพันห้าร้อยกว่าปีสมัยพระพุทธเจ้านี้มีเยอะที่สุดสแสดงธรรมที่บรรลุทีห้าร้อยรูปเนี่ยก็คิดดูเพียงระยะแปดเดือนแรกของการเผยแผ่ธรรม คือตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดวันอาสาบบูชาเนี่ยไปถึงวันมาค้าบูชาเนี่ยวันเพ็ญเดือนสาที่จะมาถึงในเดือนหน้านี่ก็แปดเดือนก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์อย่างน้อยหนึ่งพันสองร้อห้าสิบรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆโดยไม่ได้นัดหมายกัน ก่อที่พระเจ้าจะแสดงธรรมนี้ไม่มีพระอาหารหันต์ตรสาวกแม้แต่เพียงรูปเดียวไม่มีใครรู้ทางนี้ไม่มีใครรู้จักอริยสัจสี่ไม่มีใครรู้จกักไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ก็ไม่ครบรู้รู้อนิจจังรู้ทุกแต่ไม่รู้ว่าอนัตตาเป็นยังไงคิดว่ามีตัวตนคิดว่าเรามีตัวเรามีร่างกายเป็นของเรา พระพุทธเจ้ามาสอนคนเพราะร่างกายมันก็ไม่ใช่ของเราใจที่เราคิดว่าเป็นเราก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเราเพียงแต่คิดมันขึ้นมาเองนะมันไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นตัวรู้แต่เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเรา<ม>ก็เลยยึดติดกับสิ่งต่างๆเพราะยึดติดก็ทุกข์เพราะสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราก็ยังยึดติดกันอยู่เหมือนเดิม ยังกิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่เหมือนเดิมพระพุทธเจ้ามาแสดงตายลักให้ฟังนะแสดงอนัตตลักษณสูตรขันห้าเป็นเป็นเป็นอนิจจังทุกขงังเป็นอนัตตาคนฟังเข้าใจก็ปล่อยเลยพระปัญจวัคคีย์ห้าลูกก็มนุษย์เป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมาเลยนี่ความประเสริฐของพระพุทธเจ้าความฉลาดความสามารถของพระพุทธเจ้านี่ เป็นหนึ่งในจั ก, กรวาลเลยไม่ใช่แต่หนึ่งในโลกนี้หนึ่งในจั ก, กรวาลในจั ก, กรวาลนี้ต่อให้มีโลกอีกมนุษย์อีกกี่ล้านโลกก็จะหาคนอย่างพระพุทธเจ้านี้ได้ไม่ได้มีมีองค์เดียวท่มีคนเดียวทนะ่นานๆจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสัตว์สักครั้งหนึ่งแล้วก็จะสั่งสอนแล้วก็มีาศาสนาอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเอง อย่างของพระพุทธเจ้าล่านี้ท่านบอกอยู่ได้ประมาณห้าพันปีหลังจากนั้นเราก็จะไม่มีใครรู้จักไตรลักษณ์ไม่มีใครรู้จักอริยาาสัจสีรู้ก็ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติแต่ตอนนี้พวกเรายังมาแค่กึ่งพุทธกาลแค่สองพันห้าร้อยกว่าปียังเหลืออีกสองพันห้าร้อยปีเรเรารีบลักตวงโอกาสนี้กัน เพราะว่ากลับมาเกิดข้าวหน้าอาจจะไม่ได้พบก็ได้เพราะเราก่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อาจจะต้องไปตกนรกไปเป็นเ ป, นเปนรตไปสวรรค์ไปเป็นเทวดากว่าจะกลับมาเกิดอาจจะเกิน 5,000 ปี 2,500 ปีไปก็ได้พอกลับมาเกิดข้าวหน้าไม่มีใครรู้แล้วว่ า, เ, าเกิดมาทําไมาก็จะแต่หามีแต่หาราบยศสรรเสริญหาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไป แล้วพอตายก็ทุกข์กันเวลาแก่ก็ทุกข์กันเวลาเจ็บก็ทุกข์กันแล้วพอตายก็กลับมาเกิดใหม่จนกาจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาเรามานั่งฟังเทศน์อย่างนี้คนบางคนเกิดมามาเจอพระพุทธศาสนาแต่กลับไม่ได้รับประโยชน์ไม่สนใจก็ไม่ต่างกับพวกอลิงหรือนกที่อยู่ในป่านี้มันก็ได้เจอพระศาสนาพุทธแต่มันไม่เข้าใจภาษาไม่ใช่ ไม่เห็นคุณค่าของศาสนามันก็ไม่ได้รับประโยชน์คนบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาเกิดในเมืองพุทธแต่กลับไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาก็มีพวกที่ไม่เข้าวัดกันพวกที่ไม่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมกันแม้ในมหาลัยมีนักศึกษาทั้งหมดกี่คนประมาณสามหมแล้วคนสมาชิกชมรมมีกี่คน สามิบอ่าเอ่ ไ, ไนั่นแหละใช่๋ยวเราเป็นพวกวินยูชนรู้เปล่าคนฉลาดที่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาอีกสามอีกสองหมื่นกว่าคนนี่ไม่เห็นคุณค่าของศาสนาไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันเป็นพรนะรัตนตรัยนี่หมายความว่ายังไงรันนตนะแปลว่าเพชร แต่พวกเขาเป็นเหมือนพวกไก่ได้เพชรได้พลอยก็ได้ยินอ่าก็ได้ยินเรื่องไก่ได้เพชรได้พลอยไก่มันหากินมันคุยเขี่ยวตามดินหาอะไรเนาะหาตัวหนอนหาตัวไส้เดือนกินพอมันไปเจอเพชรเจอพลอยมันก็เขี่ยทิ้งเขียดทิ้งเพราะมันกินไม่ได้มันไม่เห็นมันไม่รู้คุณค่าว่าถ้าเอาไปขายมันจะซื้อไปซื้อตัวหนอนได้มาเป็นตันเลยกินไปจนมันตายไม่ต้องไปหาให้เลย นี่ก็เหมือนกันพวกที่ไม่เห็นคุณค่าของพระรัตนนาตยก็ไปเห็นคุณค่าของลาบยศสารรเสนก็ต้องหากันอยู่เรื่อยๆหากันเท่าไหร่ใช้เดี๋ยวก็หมดต้องหาอยู่เรื่อยๆถ้ามาได้พระรัตนนาตัยนี่โอ้โหได้เพชรอันน้ําค่าที่จะทําให้ใจเหล่านี้มีความสุขไปตลอดเหมือนมีสมบัติอันล้ําค่าที่จะเนรมิตสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปทํางานให้มันเหนื่อยยากอีกต่อไป เยตอนนี้กําลังมีทางเลือกอยู่เนี่ยจะไปทํางานดีแล้วจะไปบวช ด, ดีเนี่ยเราก็เราก็ในชีวิตเราก็อยู่ในช่วงเนี้ยเรียนจบมาเราก็แบบว่าคิดจะบวชอย่างนี้ค่ะออแล้วถ้าออกมาล่ะคะก็ดีสิแต่มันจะไม่ดีบวชแล้วเ บ, บวื่อเบื่อก็ศึกซึ่งจะได้รู้แล้วรู้หลอดไปออจะได้รู้ว่าไปไม่ได้จะได้ไม่ไม่สงสยัยเอามัน แต่ถ้าบวชแล้วเอาจริงจังมันถ้าเรียนจบมาหารายได้ทำไมเรียนจบพุทธศาสนาไม่ได้มันก็เรียนเหมือนกันอย่าไปเรียนแบบเรียนลามกันแล้วกันถ้าเรียนลามมันไม่รู้จะจบเมื่อไหร่มันต้องเรียนแบบเกษตรจุฬามันมีเวลาบังคับถ้าจะเรียนจะจะอยากจะจบพพุทธศาสนาตามหลักสูตรที่พระเจ้าทรงสอนว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนและเจ็ดปีนี้ก็ต้องเรียนแบบเข้มข้นเรียนแบบ ทุกลมหายใจเข้าออกตื่นนืมตาขึ้นมาก็ต้องเรียนต้องปฏิบัติอย่าไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอาจารย์ค่ะสมมติว่ า, อ, าอย่างอย่างอย่างลูกชายเนี่ยที่รังเรียนที่คิดว่าจะบวชหรือจะทำงานอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเอาเอสมมติว่า ผังชีวิตเขามีอยู่แล้วนะคะว่าจ ะ, จะต้องมีการทำงานมีอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องอยู่ที่ตัวเราไหมคะว่าผังมันไม่ตายตัวหรอกอับผังได้มันไม่มีอะไรตายตัวนะอยู่ที่ใจเราว่าเราจะไปทางไหนใช่ไหมใช่อย่างพระพุทธเจ้าก็มีผังไปสองทางเนยไปเป็นมหาจากักรพรรดิก็ได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้พอมาถึงทางแยกก็ต้องเลือกทางแล้วว่าจะไปทางไหนดีเนีย่ยตอนนี้เรากาลังมาถึงทางแย ก, กว่าดีไหม จะไปทำงานดีหรือว่าจะไปบวช ด, ดีเราก็เราก็เจอทางนี้มาแล้วก็เราตอนต้นจบมาแล้วก็ทำงานชั่วคราวหกเดือนแล้วเราก็ได้ธรรมะมาก็เลยไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านอยู่ปีหนึ่งพอถึงปีก็เงินหมดก็ต้องเลือกทางว่าจะทำอะไรต่ อ, อถ้าจะถ้าจะอยู่ไม่ไปไม่ไปบวชก็ต้องไป ทำงานหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าอยากจะปฏิบัติก็ไปบวชไม่ต้องไปทำงานก็เลยต้องเลือกทางเราก็ต้องเลือกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ไปทำงานเราก็ไม่พ่อแม่เขาไม่เลี้ยงเราไปตลอดหรอกเราก็ต้องไปทำงานหาเงินหาทองมาเลี้ยงถ้าเราถ้าเราอยากจะปฏิบัติธรรมเราก็ไปบวชแล้วก็เขาก็มีอาหารเลี้ยงเราไปบวชเขาก็ มีคนใส่บาทให้เรามีคนสร้างกุติให้เราอยู่มีคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆให้เราเราก็จะมีเวลาศึกษาปฏิบัติทําได้ทุกคนต้องมาเจอทางแยกกันเพียงแต่ว่าคนบางคนไม่รู้จักทางแยกรู้จักทางเดียวคนที่ไม่ศึกษาพระพุทธศาสนาก็จะรู้ว่ามีทางเดียวคือต้องไปทำงานใช่ไหมจบก็ต้องไปทำงานใช่ไหม พวกที่จบที่มาหลาลัยนี่ส่วนใหญ่ก็มีใครเขาคิดว่าเปล่าว่าจะไปบวช ด, ดีแล้วไปทาไปหางานดีเก้าสิบเก้าจุดเก้าเป์เซ็นก็ไปทำงานทั้งนั้นแหละเพราะเขาไม่เคยได้มาศึกษาทางนี้เขาไม่เคยบวชเนนเหมือนเราเราโชคดีมีพ่อแม่พาเข้าวัดตั้งแต่เด็กเราก็เลยได้รู้จักทางนี้พวกที่ไม่เคยเข้าวัดนี่เขาไม่รู้ว่ามีอีกทางทางเลือกอีกทางหนึ่งเขาก็ต้องไปทางเดียว คือทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้รู้จักอีกทางหนึงว่ายังมีอีกทางนึงทางที่จะพาให้เราไปพระนิพพานกันพาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันทีนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วละ่ะก็อยู่ที่ตัวเราพะกาจารารีผมะทผังอธิยศชาติ อ, าอัอปัญญานมีสองตังคเรียกเนี่ย กำลังียนนำในดิชาหรือปริชาท่านไหนจะมาส่งผลมากกว่ากันนะกัรตัดในทางสองแงเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนมันมันก็แล้วแต่ถ้าเราทำทำมาทางาศาสนามากมันก็จะเดึงไปทางนั้นก็ได้เช่นชาติก่อนเคยบวชมาก่อนเคยบวชนบวชพระเช่นบวชไปแล้วก็ตายพอกลับมาเกิดใหม่พอมาเจอาศาสนาก็จะมี มีอะไรมาจุดไฟเก่าจุดประกายก็ก็อาจจะบวชต่อแต่ถ้าไปไปเกิดในชาติประเทศที่ไม่มีาศาสนามีแต่คนทํางานก็อาจจะไม่ได้บวชก็ได้ไม่มีที่บวชไม่มีาศาสนาก็ไปทํางานแต่ถ้าไปเจอหนังสือธรรมะเข้าแล้วไปพบว่ามีที่บวชก็อาจจะไปที่นั่นก็ได้เช่นพวกฝรั่งนี่มเขาไปเกิดประเทศที่ไม่มีพุทธาศาสนา แต่เข้าไปเจอหนังสือธรรมะเขาอ่านหนังสือธรรมะแล้วเขาก็ได้ศึกษาได้ลองปฏิบัติดูแล้วได้ทราบ ว, ว่าที่เมืองไทยมีการบวชมีการปฏิบัติเขาก็บินข้ามน้ําข้ามทะเลมาบวชที่ประเทศไทยอันนี้ผังเดิมของเขาไปทางาศาสนาเ น, นี่มันไม่แน่ผังเดิมมันบางทีก็ไปทางโลกบางทีก็ไปทางาศาสนาแล้วแต่ก็ไม่แน่ผังเดิมมันจะไปทางโลกแต่พอมาเกิดกับพ่อแม่ที่พาเข้าวัดอยู่เรื่อยๆ มันก็ทำให้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนผังได้ใช่ไหมถ้าพ่อแม่ไม่พาเข้าวัดนี่ก็ถ้าไม่ถ้าใจไปทางโลกอยู่แล้วก็ไปเลยแต่นี่ถึงแม้ว่าใจอาจจะไปทางโลกแต่พ่อแม่ดึงมาทางวัดดึงมาให้สัมผัสกั บ, กบทางศาสนาก็เริ่มเห็นทางเลือกว่ามีอีกทางหนึ่งนี่จะไปได้ไม่ได้ก็ที่ว่ากาลังกรรมมัน จะดึงไปทางโลกมากกว่าหรือไม่หรือกำลังใหม่ที่ได้จากพ่อแม่ได้จากปัจจุบันนี้มันจะดึงเรามาทางนี้ได้หรือไม่แต่มันจะเป็นเวลาที่ทรมานใจเวลาที่ต้องเลือกทางนี้มันจะไม่มันจะใจมันไม่สบายนจนกว่ามันจะตัดสินใจเอาทางใดทางหนึ่งแล้วใจมหนือจะสงบได้ อย่างเราพอตัดสินใจบวชท่านนั้นโอ้หมันโล่งเลยเบาสบายใจมองอะไรไปมองท้องฟ้านี่โอ้สาสวยงามเห็นมเห็นเมฆเห็นอะไรสวยไปหมดเลยแต่ก่อนหน้านั้นโอ้โหเครียดเครียดทุกจะเอาทางไหนดีมันต้องโป่งแล้ะมันต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าเลือกทางโลกเราคิดว่ามันคงจะไม่โป่งใสหละมันก็ แบบว่าอ่ะจําไปจําเป็นต้องอยู่ทางโลกต่อไปก็อยู่ไปเพราะมันเห็นอนาคตของทางโลกแล้วเดี๋ยวมันต้องเกิดเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายตมันจะต้องเจอปัญหาต่างๆมากมายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอดีตบุญบรารมีที่ทํามาแล้วก็ปัจจุบันว่าได้มีบุญบรารมีเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีพอเกินห้าสิบมันก็ไปทางศาสนาถ้ามันไม่ถึงห้าสิบมันก็ไปทางโลกถ้าตอนนี้ยังไม่มั่นใจก็รีบไปไปปฏิบัติไปอยู่วัดสักพักก่อนอยากเพิ่งตัดสินใจทำงานขอพ่อว่าขอเวลาสักปีหนึ่งได้ไหมขอให้พ่อสนับสนุนพ่อแม่สนับสนุนอยู่แล้วแล้วก็บวชชั่วคราวก่อนปีหนึ่งก็ได้ขอทดลองบวช ด, ดูสักปีหนึ่งก่อนก็ได้ แล้วถ้าถึงเวลาปีแล้วก็จะรู้เองว่าอยู่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ในบรรอาภาระระหว่างถึงปีเนี่ยจะเป็นผ้าขาวช่วยดูแลวัดไปก่อนว่าจะบวชอย่างไหนดีกว่ากันเหมือนกันเน่ยอยู่ที่ว่าเราจะมันไม่ได้อยู่ที่ผ้าขาวหรือเป็นพระอยู่ที่ว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติถ้าบวชแล้วถ้ามาทางนี้แล้วต้องปฏิบัติต้องไปอยู่วัดปฏิบัติอย่าไปอยู่วัดที่มีกิจกรรมบุญบางสังส่วนมีคนต้องไปอยู่วัด ป, ป่า วัดเขาที่ไม่มีอะไรนอกจากการปฏิบัติดังนั้นมันถึงจะสามารถสร้างความพยายามของตัวเองถ้าไปอยู่วัดป่าแล้วเขานั่งสมาธิกันเราก็นั่งกับเขาเนี่เดี๋ยวมันก็ได้เองพอนั่งได้แล้วทีนั้นก็รู้ว่าอยู่ได้แล้วแต่ถ้าไปอยู่วัดที่ก็ไม่มีการนั่งปฏิบัติมีแต่กิจกรรมอย่างอื่นมีแต่ใส่บาตมีแต่ ผ้าปา่ามีแต่งานบุญงานกุศลงานบวชงานศพอะไรพวกนี้ถ้าไปอยู่งั้นมันก็ไม่ได้ ม, ไ ม, ม, ไ ม, มันไม่ได้เข้าถึงศาสนาไม่ได้เข้าถึงแก่นไม่ได้ถึงเนื้อเข้าแค่เปลือกของศาสนาอย่างนั้นมันจะไม่พอจะไม่พอให้ทาให้เรามีศรัทธาที่อยากจะบวชอยู่อย่างถาวรมันต้องเข้าถึงความสงบให้ได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เป้าหมายก็คือต้องทําใจให้สงบให้ได้ให้มีความสุขจากความสงบให้ได้ให้เห็นความสุขของความสงบนี่ว่ามันดีกว่าความสุขทั้งปวงถ้ามันได้อันนั้นแล้วรับรองได้ว่ามันไม่สึกแน่ๆมันจะบวชไปะจะมันตายอันนี้ยังไม่เคยได้ความสงบในชะ่ไหมได้กันไม่มากนะแต่ก็ยังดีคือได้เปรียบเทียบนี่ว่าเวลาง ความสงบกับความไปเที่ยวนี่อันไหนดีกว่ากันใช่ไหยไปเที่ยวก็ดีเดี๋ยวเดียวดีตอนไปเที่ยวพอกลับมาบ้านก็เหงาเหมือนเดิมแต่ถ้านั่งสมาธิอยู่คนเดียวได้ก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปเที่ยวก็ต้องช่วงนี้เป็นเวลาดีที่ควรจะคิดตัดสินใจถ้ายังไม่มั่นใจก็ลองไป ทดลองดูสักปีหนึ่งก็ได้อย่างเราเราก็ทดลองอยู่ปีหนึ่งเราเราออกจากงานแต่ตอนนั้นเราไม่รู้จักวัดก็เลยอยู่บ้านปฏิบัติอยู่ที่บ้านเดินจงกรมนั่งสมาธิในบ้านอ่านหนังสือธรรมะอยู่คนเดียวมันก็ทำให้ใจสงบได้มีความสุขได้ <c oughs> แล้วพอรู้ว่า <c oughs> อยู่ได้แล้วก็มันต้องไปบวชมันก็เลยไปบวชได้ เพราะถ้าไม่บวชมันก็ต้องไปทำงานเพราะเงินหวดเงินที่จะซื้ออาหารกินนี่มันหมดนะถ้าไปทำงานก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ก็เลยไปบวช ด, ดีกว่าบวชแล้วก็ไปอยู่กับวัดปฏิบัติยอยู่วัดป่าบวชที่วัดโเนแต่อยู่เดีย ว, ยวอยู่แค่เดือนครึ่งก็ไปละ ไปอยู่ที่วัดเขามีปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนแต่ต้องปฏิบัติเองนะเขาไม่ได้มาบังคับเดี๋ยวจะลองให้ทางบ้านเ็าถามมั่งนะนมีะจะกลับเลยกลับไปก็กลับถ้ายังไม่พร้อมก็สะสมบุญไปก่อนทำบุญทำทานให้มากรักษาศีล5ศีล8ให้ได้แล้วก็หันนั่งสมาธิกันไป เดี๋ยวพอได้ผลปั๊บมันก็จะอยากจะบวชกั น, นเลยถามว่าไงหมอไอ้หมอหมานี่ยเขาเรียกว่าหมอป่ะหมอเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> เป็นสัตวาแพทนี่เรียกว่าเรียกหมอได้ไหมได้ลัสเตอร์ออฟเบสตินแล้วยิ่งมาดิดี ก็เป็นเป็นหมอเหมือนกันเป็นรินยาระดับเดียวกันนะครับอัอไรหมอฟันว่ามันมีทางมีอะไรัหมตอนนี้มีนายแพทย์คนหนึ่งหมอชัยยศเป็นหมอจากสิริราชหมอสูกระเสียนอายุหกสิบเจ็ดหกสิบแปดน้งพอกระเสียนปั๊บก็บวชเลยบวชที่วัดบัวแล้วก็มาอยู่ที่วัดญาณได้สองสามปีน้งนี้ แกก็ปฏิบัติทุกวันฉันเสร็จแกก็เดินจงกรมยัจนจงกรมนั่งสมาธิไม่ทำอะไรปฏิบัติอย่างเดียวทำอยู่ทุกวันเห็นนั่นทำเนี่ยยางแข็งแรงอายุหกตอนนี้เจ็ดสิบกว่าแล้วตอนบวชหกสิบแปดเมตอนนี้อายุเจ็2สิบอดเจ็ดสบสองแสดงว่าแกเตรียมตัวไว้ก่อน ตอกเกษียณปับก็บวชเลยเป็นไงหมอชื่ออะไรพงนะบุญละพงษ์จำชื่อหลังได้แต่จะไปจันทบุรีหรเปล่ายังไม่ได้ไปครับไม่ได้<อ><ๆ>ไปเลยหลวงพ่อสบายดีครับสบายรู้จักคุณจเจริญหรือเปล่าคนที่ช่วยคุณ คุณชายป๋ำดูแลที่สวนแสงทองโอ้โหข้าพี่เสียแกย <ละ S 2> เสียไปแล้วล<ะ>ูกทีเห็นมาใส่บาทอมาใส่บาทคนจ้าหลวงพ่อที่ทปัำทางบ้านสมเด็จก็ là. สาวที่ก็ขึ้นมาฟังธรรมวันนี้ก่อนจะเสียคุณชายก็เอาให้เอาโทรศัพท์ให้คุยกับแกก็คุยกับแกเรื่องปล่อยวางร่างกายโชคดีจังเลย กายก็ตายอย่างสงบรู้สึกต่างบ้านเขาก็ไม่มีไม่วุ่นวายกันหรือว่าไว้แค่วันสุดท้าก็เผาเลยเผาเลยตายปุ๊บไม่มีประโยชน์เก็บไว้นานก็มีประโยชน์อะไรบุญบุญต้องทําตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่มาทําตอนตายตอนตายนี่คนตายไม่ได้บุญอได้แต่คนเป็นคนเป็นก็ทําแบบไม่ไม่ถึง ถึงถึงแก่นําแค่ถึงแค่ผิวก็ได้แต่นิมลภาพมาสวดทำบุญใส่บริจาคเงินทองไปถ้าจะให้ถึงเนื้อถึงแก่นก็ต้องไปดูศพเลยพิจารณาความตายกันต่อไปเราก็ต้องตายเหมือนเขาเขาคืออนาคตของเราเราคืออดีตของเขาอ <c oughs> คิดอย่างนี้แล้วมันจะได้ เกิดปัญญาเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นแล้วจะได้ไม่ยึดไม่ติดเนี่ยร่างกายนี้มันมีเกิดเป็นธรรมดามันก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาถ้าเรายึดติดเราจะทุกข์มากทุกขณะที่ยังไม่ตายและขณะที่ตายแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราจะไม่ทุกข์กับมันเลย เราจะรู้สึกเฉยๆมันจะแก่ก็เฉยๆจะเจ็บก็เฉยๆจะตายก็เฉยๆเราต้องพยาหยม่นเปิดตาของเราเปิดเปิดปัญญาของเราด้วยการเราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้ า, าสอนให้หมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความเจ็บ่ายได้ป่วยไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้มีการพาดัดพากจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นการพาดัดพากจากกันไปไม่ได้ให้เราคิดอย่างนี้ทุกวันแล้วเราจะไม่เผลอเราจะไม่เสียหลักเวลาเกิดการพาดัดพากจากกันเวลาเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ทุกข์กับมัน แต่ถ้าเราไม่นึกอยู่เรื่อยเดี๋ยวจะลืมพอลืมแล้วก็จะเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พลาดพาดจากกันก็อย่างพอเพียงแต่คิดว่าต้องแก่เจ็บตายก็ทุกข์แล้วเพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพาดาจากกันมันก็จะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะไม่ทุกข์ มีคําถามทางบ้านเข้ามาเลยคำถามจากคุณพรมนิมิตปฏิบัติที่บ้านวันธรรมราศีห้าวันพระศีรษะมีทานศีลสมาธิทุกวันสามารถบรรลุสกิทาคามีได้หรือเปล่าคะก็แล้วแต่ว่าปฏิบัติถึงหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าปริมาณของการปฏิบัติมันพอที่จะทําให้ถึงจุดนั้นหรือเปล่าถ้ามันพอมันก็ได้ ถึงพระ อ, อรหันต์ก็ไดอ้อยู่ปฏิบัติที่ไหนก็ได้อยู่ในป่าในเขาอยู่ในบ้านอยู่ในวัดถ้าศีลสมาธิปัญญามันครบร้อยมันก็ได้พระ อ, อรหันต์ถ้ามันได้แค่เจ็ดสิบห้ามันก็ได้แค่อนาคามีถ้ามันได้แค่เท่าไรสามสิบห้าห้าสิบก็ได้สกีดาคามีถ้าได้สักยี่ห้าก็ได้โสดาบัน มันอยู่ปริมาณของศีลสมาธิปัญญาความจริงศีลสมาธินี่มันมีครบแล้วปริมาณที่เพิ่มขึ้นต้องเป็นปัญญาปัญญานี้จะทำให้เราขยับขึ้นไปแต่ละขั้นคำถามจากคุณรัศยกรเวลานั่งสมาธิเรารู้สึกตัวหายไปมีแต่ความว่างมีคนบอกว่าเกิดจากอาการร่างกายนั่งนานๆจนทำให้เกิดอาการชาแล้วทำให้เราไม่รู้สึก จึงคิดว่าตัวเราหายไปแต่เมื่อพิจรารณาแล้วอาการนั้นไม่ได้เป็นบ่อยแด้นั่งเพียงขึ้นชั่วโมงปกติอาการชาที่ขาจะเป็นเมื่อนั่งผัานไปเกือบชั่วโมงหนึง่งแต่อาการที่ว่าเราตัวเราหายไปเกิดขึ้นหลังจากที่นั่งสมาธิผ่านไปไม่นานจะรู้สึกเงียบสงบว่างๆอย่างนั้นจนออกจากสมาธิค่ะขอคำพระขอคําแนะนำจากพระอาจารย์ได้ค่ะก็เรานั่งเพื่อให้ใจสงบให้ใจว่างมันจะ มีสาเหตุกลไกใดก็ไม่ทําให้สนใจขอให้เราสนใจที่ผลก็แล้วกันว่าเรานั่งแล้วใจเราว่างใจเราสงบใจเราเป็นอุเบกขาไม่มีอคติสี่คือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็ถือว่าอันนั้นเป็นสมาธิเป็นความสงบของใจค่ะคำถามจากคุณสุวัฒนา ถ้าต้องอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ที่คอยนินทาให้ให้ร้ายเราตลอดโดยไม่สามารถไปอยู่ที่อื่นได้พยายามให้อภัยเขาหลายครั้งแล้วเขาก็ทำอีกต้องวางใจอย่างไรเจ้าคะก็อย่าไปอยากให้เขาไม่ว่าเราความทุกข์ของเราอยู่ที่ความอยากของเราอยากไม่ให้อยากไม่ให้เขานินทาไม่ให้เขาว่าเราเราก็เลยทุกข์วิธีจะไม่ทุกข์ก็อย่าไปอยากหรือเปลี่ยนใจเปลี่ยนความอยากให้อยากเสีย อยากให้เขาด่าเราอยากให้เขาว่าเราพอเขาด่าเขาว่าเราเร า, เราก็จะสมใจ <c oughs> เราก็จะดีใจ <c oughs> <c oughs> เอาไปอยู่กับหลวงตาก็อย่างนี้หลวงตาด่าเรื่อยเลยเจอเทไรก็ดา่า <c oughs> มิแต่ด่าอย่างเดียวท่านไม่ชมใครต่อหน้าแต่ท่านชอบไปชมลับหลังแต่เราไม่รู้มารู้ทีหลังคนก็มาเล่าให้ฟังแต่ตอนหน้าท่านมีแต่ด่าอย่างเดียวเพราะด่าแล้วมันจะได้ทำให้เรา หางหดไงถ้าถ้าชมแล้วมันจะฟูฟูเดวงตาท่านบอกว่าเวลาชมใครเทไลน์มันเสียทุกทีพอชมมาแล้วมันคล้ยๆว่ามันคิดว่ามันเก่งแต่ถ้าเวลาด่ามันแล้วมันรู้สึกว่ามันทําให้มันหดนกิเลสมันหดกํำลากิเลสงั้นอยู่กับคนที่เขาด่าเราดีแล้วล่ะถือว่าเป็นการทดสอบอธรำของเราก็มีวิธีหนึ่งพระเจ้าสอนบอกว่า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 เราต้องแก้ตรงนี้อย่าไปแก้ที่เขาเราแก้เขาไม่ได้หรอกเราไปบอกให้เขามาไม่มาชมเราไม่ได้หรอกเราไปห้ามเขาไม่ให้มาดา่าเราไม่ได้หรอกเราต้องมาแก้ที่ใจเราให้ใจเราเฉยเฉยอย่าไปอยากให้เขาชมหรือไม่อยากให้เขาดา่าวิธีจะเฉยก็ต้องหัดทําสมาธิเยอะๆฝึกสติบ่อยๆพุโทโธพุโทโธไปเวลาเจอหน้าผู้ใหญ่ก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจ เราอย่าไปสนใจฟังเขาพูอะไรก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วเราจะไม่เราจะไม่เดือดร้อนคำ ถ, ถามจากอาจารย์ชาติพิษทางยูทุบนะคะการปฏิบัติก่อนนั่งสมาธิจะต้องเดินจงกรมทุกก่อนทุกครั้งหรือเปล่าคะและแต่ละครั้งเวลาเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิจะต้องใช้เวลาเท่ากันด้วยหรือเปล่าคะก่อนจะนั่งสมาธินี้ต้องมีสติก่อนต้องฝึกสติก่อน ถ้าไม่มีสติเวลามานั่งใจมันจะคิดมากมันจะไม่สงบอย่างนั้นขั้นต้นมันไม่ได้อยู่ที่เดินหรือนั่งอยู่ที่มีสติหรือไม่มีสติต้องฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวแปลงฟันนั่งหน้าก็พุโทโธพุโทโธไป ถ้าเรามีพุโทโธอยู่ในใจเวลาเรามานั่งมันจะสงบง่ายงั้นส่วนการจะนั่งหรือจะเดินมากหรือจะน้อยนี้แล้วแต่ความถนัดความพอใจหรือแล้วแต่สภาพเหตุการณ์สิ่งแวดลอ้อมบางทีนั่งไม่ได้ก็เดินถ้าเดินไม่ได้ก็นั่งแต่ถ้าอยากจะให้จิตสงบนิ่งได้ผลได้สมาธิต้องนั่งเฉยๆถ้าเดินจะไม่ได้เพราะเวลาเดินนี่ร่างกายยังเคลื่อนไหวยอยู่ จิตยังต้องทำงานอยู่งั้นถ้าอยากจะอยากจะให้จิตสงบต้องนั่งสมาธิแต่ถ้านั่งอย่างเดียวมันก็เมื่อยบางทีก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนเอริยาบทก็เดินแต่ไม่ว่าจะนั่งหรือจะเดินก็ต้องมีสติอยู่ทุกเอริยาบททุกเวลาต้องมีพุทธโธพุทธโธตลอดเวลาถึงจะได้ผลจากการนั่งค้าถามจากคุณไม่หนูรักเมตตาเด็กข้างบ้านมากๆค่ะ เวลาเรารักใครโดยไม่มีเหตุผลแสดงว่าเคยผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติก่อนใช่ไหมคะก็มีส่วนบางทีเราชาติก่อนเคยมีความผูกพันกันมีความเมตตาต่อกันเวลาเจอกันชาตินี้ก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นในทางตรงข้ามก็เหมือนกันบางทีเจอใครแล้วก็จะหมันไส้หมันเคี้ยวกัน ก็แสดงว่าชาติก่อนเคยหมั่นไส้หมั่นเคี้ยวกันมาก่อนเอแต่เราแก้ได้เราก็อย่าไปหมั่นไส้เขาอให้อภัยเขาปล่อยวางเข้าไปแผ่เมตตาให้กับเขาอคําถามจากคุณเหนือฆ่าฆ่าป่าเพื่อมาประกอบอาหารเพื่อยังชีพจะมีผลต่อการปฏิบัติภาวนาไหมครับมีเพราะมันเป็นบาปไงการฆ่าสัตว์นี่มันจะทําให้ใจเราไม่สงบ ทำให้ใจเรามีวิตกมีกังวลเลึกๆอยู่ในใจเวลานั่งสมาธิเดี๋ยวก็ไปนึกถึงปลาที่เราฆ่าใจก็จะไม่สบายมันจะมีนิวรณมาคอยขวางยางั้นเราต้องมีศีลที่สะอาดใจจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนเวลานั่งสมาธิฉะั้นถ้ายังถ้ายังต้องฆ่าเพื่อกินก็อย่าไปฆากินกินผักกินอะไรไปก็ได้หรือถ้ามีเงินก็ไปซื้อ สัตว์ที่ตายแล้วของที่เขาขายในตลาดมากินจอย่าฆ่าเองหรืออยาไปสั่งให้เขาฆ่าให้เราคำถามจากธรรมะในสวนลูกเพิ่งมาปฏิบัติที่ธรรมะในสวนครั้งแรกขอกความเมตตาหลวงพ่อในขณะที่นั่งสมาธิได้สักพักก็เกิดอาการปวดขาเป็นเน็บชาสามารถเปลี่ยนท่านั่งได้หรือไม่ลูกควรทำอย่างไรคะคือถ้าเปลี่ยนก็นเหมือนกับเริ่มต้นใหม่ ถ้าอยากจะไม่ไม่เริ่มต้นใหม่อยากจะให้มันผ่านจุดนี้ไปได้ก็ต้องใช้สติคือพุทโธพยายามท่องพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วเดี๋ยวพอเราลืมความเจ็บไปมันก็จะมันก็จะไม่รู้สึกอึดอัดมันก็จะอยู่กับความเจ็บได้หรือบางทีจิตก็จะสงบแล้วความเจ็บก็จะหายไปก็มีงั้นอยากลุกอยากไปขยับถ้าเราอยากจ ะ, อะสอบผ่าน เพราะการนั่งเพื่อให้ผ่านความเจ็บนี้เป็นเหมือนกับการทำข้อสอบเป็นการเลื่อนชั้นไปนั้นถ้าเราไม่ผ่านตรงนี้เราก็จะติดอยู่ตรงนี้ทุกครั้งพอนั่งแล้วเจอความเจ็บเราก็เลิกเปย น, เ ป, ยนเปลี่ยนท่าใหม่ขยับตัวใหม่อย่างนี้ก็จะไปไม่ถึงไหนเมื่อนั่งแล้วเจอความเจ็บก็ต้องพยายามพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าให้ใจเราไปคิดถึงความเจ็บ เราจะสวดมนต์ไปแทนก็ได้สวดเอติปิโสอรหังสัมมาสวัสดกาโตสุปติปโนสวดให้มันเกาะอยู่กับการสวดไม่มไปคิดถึงความเจ็บเดี๋ยวมันก็ลืมความเจ็บแล้วความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปความเจ็บยังอยู่ก็ไม่เดือดร้อน่ะเพราะใจไม่ไปมีความอยากให้มันหายคำถามจากคุณสัญญาการจเจริญสติใช้วิธีรู้อริยบทเดินรู้หยิบรู้แปลงปันรู้ ร้อนรู้เย็นรู้อันไหนปรากฏชัดก็รู้อันนั้นรู้เฉยไม่บังคับอันนี้ถือว่าได้ผลใกล้เคียงกับบริกรรมพุทโธตลอดไหมครับเพราะไม่ถนัดบริกรรมลองทําแล้วความต่อเนื่องทําได้น้อยกว่าก็ดูที่ความคิดใช่ไหว่าเราหยุดความคิดได้เปล่าเป้าหมายก็คือไม่ต้องการให้คิดเรื่องอื่นแม่้คิดถึงขนมแม่้คิดถึงที่ท่องเที่ยวไม่ให้คิดถึงแฟนเนี่พอคิดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีกําลังที่จะมา ปฏิบัติเนี่ยมันก็อยากอยากไปเที่ยวอยากจะไปกินขนมอยากจะไปหาแฟนเนี่ยต้องหยุดความคิดให้ได้วิธีไหนก็ได้มีสี่สิบวิธีกรรมาฐานสี่สิบนี้เป็นวิธีที่จะทําให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราใช้การเฝ้าดูอิริยบทได้ก็ดีดีดีกว่าพุโทโธเพราะไม่ต้องเหนื่อยถ้าพุโทโธบริกรรมแล้วมันเหนื่อยแต่ถ้าดูเฉยๆได้ก็ดีดูได้ทั้งวันแต่ดูแลอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเร่องนีน้กันล้กัน ให้รู้อยู่กับเรื่องที่เรากาลังดูอยู่คํถาถามจากคุณอาชิดะเวลานั่งสมาธิหลับตาจิตฟุง้งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลาจิตไม่นิ่งเลยเจ้าค่ะขอคาแนะนําค่ะนี่งไงเพราะไม่มีสติไงมันต้องหยุดความคิดก่อนที่จะมานั่งถ้ายังหยุดความคิดไม่ได้เวลามานั่งมันก็คิดฟุ้งไปอย่างเงี้ยยังต้องถ้าเวลามานั่งมันฟุ้งก็สวดมนต์สู้กับมันไปก่อนก็ได้ ถ้านั่งดูเฉยๆไม่ได้มันไม่หยุดก็สวดเอตีปโสไปร้อยจบเียเดี๋ยวมันก็หายฟุ้งเองพอหายฟุ้งแล้วเราก็ดูลมหายใจต่อไปได้หรือพุทโธต่อไปได้คําำถามจากคุณป้อมลูกมีพ่อแม่อายุมากช่วยตัวเองไม่ได้พี่สาวดูแลตอนกลางวันอย่างดีแต่ตอนกลางคืนเป็นหลานๆาน ซึ่งเขาต้องทํางานกลางวันทําให้เขามีอารมณ์โกรธปู่ย่ากวนใจจะบาปไหมเจ้าคะถ้าเขาพูดไม่ดีก็บาปทําทไม่ดีก็บาปยังต้องบอกเขาว่าปู่ย่าตายายเป็นบุคคลที่สูงเป็นเหมือนพระอาหารหันต์เวลาเราดูแลปู่ย่าตายายให้เราคิดว่าเรากำลังดูแลพระอาหารหันต์เราต้องระมัดระวังควบคุมอารมณ์ถ้าเราควบคุมไม่ได้ก็อยากไปเข้าใกล้ดีกว่าไม่ได้ทําบุญ แต่ก็อยากไปทำบาปจะดีกว่าไม่ได้ทำบาปจะดีกว่าไปไปทำบุญแล้วไปทำบาปด้วยแล้วจะทำให้ปู่ย่าตายายเขาเสียใจเวลาที่เราพูดไม่ดีทำอะไรไม่ดียังต้องคิดถึงบุญคุณของท่านว่าถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่มีเราท่านตอนที่เราเป็นเด็กท่านก็เลี้ยงดูเรามาตอนนี้ท่านเป็นเหมือนเด็กเราก็ต้องเลี้ยงดูท่านไปแล้วก็หุบปากเสียใชก็หมดเรื่องไม่ต้องพูดอะไรมีหน้าที่ทาอะไรก็ทาไป คำ <Yeah. S 2> ถามจากคุณโอปกติจิตจับอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวบ้างบริกรรมพุทโธบ้างจิตไม่นิ่งแว็บตลอดและคิดว่าไม่ก้าวหน้าค่ะเลยมีเพื่อนแนะนําให้บริกรรมพุทโธพุททางรวมจิตพลังทำมังรวมจิตพลังสังังรวมจิตลองบริกรรมไปได้สักพักเห็นเหมือนเป็นเงาหน้าคนขึ้นมาด้วยความกลัวเห็นสี เลยคิดมาว่าขอให้อย่าเห็นอะไรแล้วก็หายไปและได้เห็นเป็นหน้าพระพุทธรูปโบราณลอยขึ้นมาแทนแล้วก็หายไปอีกอย่างนี้นั่งผิดวิธีใช่ไหมคะต้องกลับไปนั่งจับลมหายใจแบบเดิมใช่ไหมคะไม่หรอกเพียงแต่เวลาเกิดภาพขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้ให้สวดต่อไปให้บริกรรมต่อไปพุทธทางบริกรรมไปต่อไปอะไรจะมาปรากฏก็อย่าไปสนใจอย่าไปรับรู้เหมือนกับความเจ็บเวลามันเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจ ให้อยู่กับคำบริกรรมคำสวดไปเดี๋ยวใจก็จะสงบเองคำถามจากคุณเจ้าหนานหลวงข้อที่หนึ่งมีคนบอกว่าการสวดมนต์จะต้องมีโต๊ะบูชาหมู่พระพุทธรูปจำเป็นต้องมีหรือไม่ครับ อ, อ๋อไม่ต้องหรอกการสวดสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือสติถ้าสวดแล้วใจลอยคิดถึงนู่นคิดถึงนี่ก็อย่าสวดดีกว่าต้องมีสติอยู่กับการสวดเพียงอย่างเดียว แล้วใจจะนิ่งใจจะเบาใจจะสบายให้มีสติอยู่กับการสวดโต๊ะหมู่ไม่ต้องมีพระพุทธรูปไม่ต้องมีดอกไม้ธูปเทียนไม่ต้องมีแต่ถ้าอยากจะมีก็ไม่ห้ามแต่ถ้าไปอยู่ในป่าจะมีได้ยังไงพระพุทเจ้าเวลาตัดสรุปไม่เห็นมีพระพุทธรูปไม่ไม่ไมีมีโต๊ะหมู่ตรงไหนวะยังไ ม, มีแต่ต้นโพไม่มีแต่ต้นไม้อยู่ <S <S> <S ขอให้มันที่สงบเวลาจะสวดมนต์จะทําใจให้สงบนี่ขอให้มีที่สงบแล้วก็ให้มีสติท่านั้นละ่ะสองอย่างนี้พอข้อที่สองการนั่งสมาธิถ้าสีไม่บริสุทธิ์จิตจิตจะสามารถเข้าถึงสมาธิได้หรือไม่ครับก็เมื่อกี้ถามแล้วก็ไม่ได้หรอกเพราะใจมันจะกังวลเนี่ยไปด่าใครไปตีหัวใครแล้วมันนั่งสมาธิดูนี่เดี๋ยวมันก็กังวลว่าเขาจะตามมาตีหัวเราเมื่อไหร่ พอได้ยินเสียงกึกกักก็เฮ้ใครมาแล้วใช่ไหมเวลาไปอยู่ที่เปี่ยวนี่ใจมันจะหวาดผวาแล้วคนที่ไม่มีศีลเนี่ยแต่คนที่มีศีลเขาจะไม่หวาดผวาเขาจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะเขาไม่ได้ไปทำร้ายใครเขาจะไม่รู้สึกว่าจะมีใครมาทำร้ายเขายังต้องพยายามรักษาศีลให้บริสุดสินศีลเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญา ปัญญาเป็นเครื่องที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมันเป็นเหมือนขั้นบันไดต้องมีศีลก่อนถึงจะทำสมาธิได้เมื่อทำสมาธิได้ก็จะมีปัญญาจะเห็นเห็นธรรมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้พอเห็นทุกอย่างเป็นธรรมความเป็นจริงก็จะหลุดพ้นได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ข้อที่สผู้ที่อดีตเคยสร้างบาปหนัก เมื่อตั้งใจปฏิบัติธรรมจะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่ครับได้ถ้ามีความตั้งใจมีสติมีคนสอนอย่างองคุลิมานเนี่ยองคุลิมา น, นี้ฆ่าคนมาแล้วเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนจะมาฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ครบพันพอพระพุทธเจ้าสอนธรรมมาให้ก็เลยเปลี่ยนใจเลยบรรลุเป็นพระหลานแทนคำถามจากคุณประภัยพร ศีล ส, สมาธิปัญญาคําว่าปัญญามีลักษณะเป็นอย่างไรและขอแนวทางปฏิบัติให้เกิดปัญญาค่ะปัญญาก็ให้รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเองและอยากจะให้ความทุกข์เราหายไปก็ต้องเห็นว่าการทําตามความอยากนี้มันพาไปสู่ความทุกข์เน่ยฉันอยากจะสูบบุหรี่อยากจะดื่มสุราถ้าดื่มแล้วมันก็ต้องดื่มไปได้เรื่อยสูบแล้วก็ต้องสูบไปได้เรื่อย เวลาไม่ได้ดื่มไม่ได้สูบก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่ดื่มไม่สูบเราก็สบายนี่คือให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากแล้วก็สิ่งที่ได้เราด่าสิ่งที่เราอยากได้มาได้มาแล้วก็ต้องหามาอยู่เรื่อยๆเพราะมันจะไม่อยู่กับเราไปเรื่อยๆได้มาปั๊บเดี๋ยวมันก็หมดหมดแล้วก็ต้องหาใหม่มันก็ต้องเครียดอยู่กับการหาอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่มีความสุข แต่ถ้าเราไม่ต้องหาไม่ต้องมีอะไรเรานั่งเฉยๆมีความสุขได้เราก็สบายกว่านี่เกอให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี่เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขหรอกทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันต้องจากเราไปมันไม่ได้เป็นของเราแล้วก็อยู่กับความสงบดีกว่าความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีที่สุดนี่คือปัญญา ามจักคุณเติน้นอยากทราบว่ามีพระสูตรอะไรบ้างที่ควรศึกษาขอพระอาจารย์แนะนำด้วยค่ะอหนึ่งธรรมจักกับปวัตนสูตรสองอนัตตลักษณสูตรส า, าสติปัฏฐานสูตรสี่มงค ล, ลสูตรห้าอาทิตยสูตรเนี่ยสี่ห้าสูตรนี่ก็พอละ ถ้ า, าคุณมานะัดดิฉันมีความทุกข์มีลูกชายอายุมากแล้วแต่เขาชอบพูดโกหกไม่อยากให้เขาโกหกต้องวางใจอย่างไรเจ้าคะถ้าอยากให้เขาไม่โกหกก็ทุกข์เพราะถ้าเขาจะโกหกเราเราห้ามเขาได้หรือเปล่ามีทางเดียวก็คือสอนเขาเท่านั้นเองแต่อย่าไปอยากสอนแล้วเขาจะทําตามหรือไม่ทําตามนี้ก็เป็นเรื่องของเขา เราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้ถ้าสอนแล้วเขายังอยากโกหกก็ยังโกหกอยู่เราก็ต้องทำใจคือให้มองเขาเหมือนกับเป็นผลไม้เขาเป็นกล้วยเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นส้มองนี้อยากยังไงมันก็ไม่เป็นมันก็เป็นกล้วยอ ย, อยู่นั่นพอเห็นทีไรเห็นม่นไม่เป็นส้มก็ทุกทุกทีอยากให้มันเป็นส้มแต่มันเป็นกล้วยเงี้ก็ทุกอยากให้เขาไม่โกหกพอเจอมันโกหกทีไรก็ทุกทุกทีกทกทกทก เพะความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เขาแต่อยู่ที่เราที่ไปอยากให้เขาไม่โกหกคำถามจากคุณโอบเพื่อนบอกต้องเห็นสวรรค์กับนรกก่อนจึงจะสําเร็จขั้นโสดาบาันจริงไหมคะไม่จริงหรอกการเห็นจะสําเร็จพระโสดาบาันได้ต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นเพียงดินน้ําลมไฟเกิดแก่เจ็บตาย ไม่มีตัวเราในร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้มาครอบครองร่างกายผู้มาใช้ร่างกายเหมือนกับเราเป็นคนขับรถยนต์รถยนต์ไม่ใช่เราใช่ไหมเรารู้ไหมเวลาเราขับรถว่ารถนี้เป็นเราหรือเปล่าแต่เรา so ไม่รู้เวลาเรามาขับ <cosmic> ร <succeeding. 4 distractions> ่างกายเรามาคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยไปทุกข์กับร่างกายคิดว่าร่างกายคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายแก่เราก็คิดว่าเราแก่ใช่ไหมพอร่างกายเจ็บเราก็คิดว่าเราเจ็บ พอร่างกายตายเราก็คิดว่าเราตายแต่ความจริงเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเพราะใจไม่มีรูปร่างใจเลยมาอาศัยร่างกายก็เลยคิดว่าเป็นร่างกายไปพอร่างกายเป็นอะไรก็อล่อยทุกแต่พอเห็นด้วยปัญญาที่พรเจ้าทรงสอนว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอเราเห็นอย่างที่พรเจ้าเห็นปั๊บเราก็ไม่ทุกข์เราก็ปล่อยวางร่างกายได้ ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเราก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้คำถามจากคุณสุภาการที่เราเอากระดูกแม่และรูปภาพแม่ไว้ในห้องจะได้ไหมเจ้าคะได้ทำไมนจะไม่ได้แม่ของเราเอควรจะไว้ให้ที่เหมาะสมให้ไว้ที่สูงเท่านั้นเองผู้ที่มีพระคุณกับเราเราต้องเชิดชูยกย่องกราบไหว้บูชา ไม่ใช่ไปวางไว้ที่พื้นอะไรอย่างนี้คำถามจากคุณอดิศรขอเรียนสอบถามเรื่องขันห้ารูปเบธนาสัญญาวิญญาณสังขารในส่วนของสัญญาคือการจำได้หมายรู้หมายความว่าคิดและจำอดีตได้รวมถึงความคิดปรุงแต่งจิตในอนาคต ด, ด้วยหรือไม่ครับคือความจำต่างๆนี่ คือเวลาเราเห็นภาพนี้เราต้องใช้ความจำใช่ไหมว่าภาพนี้เราเคยรู้จักหรือเปล่าถ้าเคยเห็นถ้าเราจำได้ก็อันนั้นเรียกว่าสัญญามีสัญญาแต่ถ้าเราเห็นภาพที่เราไม่เคยมีความจำเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นใครก็แสดงว่าเราไม่มีสัญญากับภาพนั้นสัญญาคือความจำได้หมายรู้จำจำภาพจำเสียงจากลิ่นจารสได้ ทำไมเราถึงชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเราจําได้ว่าเอออันนี้ดีจําได้ว่ามันดีพอดีก็ชอบเลยแล้วอันไหนที่เราไม่ชอบเราก็จะจําได้ว่ามันไม่ดีพอเจอมันเราก็จะไม่ชอบเลยนี่คือสัญญาอืคําถามจากคุณจุมพศการนั่งสมาธิจําเป็นต้องนั่งขัดสมาธิ ขวาทับมือขวาทับมือซ้ายหรือเปล่าครับหรือว่านั่งอย่างไรก็ได้ครับถ้าอยากจะนั่งแบบมืออาชีพก็ต้องนั่งขัดสมาธิถ้าอยากจะนั่งแบบมือสมัครเล่นก็นั่งท่าไหนก็ได้เพราะมืออาชีพนี้เขานั่งหลายชั่วโมงเขาไม่แค่นั่งแค่สิบห้านาทียี่สิบนาทีเขานั่งเป็นชั่วโมงบางทีสี่ห้าชั่วโมงหกเจ็ดชั่วโมงท่าที่นั่งสบายที่สุดก็น้าท่านั่งขัดสมาธินั่งนานๆนั่น ถามจากคุณซาต้ากรรมอะไรทําให้เป็นคนคิดมากวิตกกังวลจะแก้ไขอย่างไรครับก็กรรมที่ไม่มีสติไงถ้าไม่มีสติมันก็คิดมากถ้ามีสติมันก็จะคิดน้อยงั้นพยายามฝึกสติสร้างสติกันขึ้นมาไม่งั้นต่อไปจะกลายเป็นคนเสียสติได้คนบ้าเนี่ยเป็นคนที่คิดแบบไม่รู้ว่าไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วไม่รู้อะไรั ต้องฝึกสติพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆแล้วจะมีสติตนน ห, มหมดแล้วนะได้ะคำถามคือโยมมีลูกชายอายุประมาณยูมอสองค่ะอายุส3บสามยสิสี่เขาเคยบวชเมรุมแล้วสองรอแล้วก็เคยปังรู้ว่าเขาอยากจะบวชกลบอดชี้แต่โยงกับพ่อเขาก็ก็เคยคือว่าถ้าบวชก็อยากจะให้เรียนจบนปริญญาตรีก่อนคาถามของโยมคือว่า ควรจะปล่อยให้เขาบวชตามที่เขาตั้งใจโดยไม่ต้องไปคาดคะเนให้เขาเรียนจบปริญญาตรีหรือว่าควรจะประครับประคองเขาให้เรียนจบปริญญาตรีก่อนก็ ค, ควรจะคุยกับเขาบอกทางเรื่องของเขาว่าทําไมต้องเรียนจบปริญญาก่อนทําไมไม่ทําไมไม่ให้บวชเลยคือถ้าถ้าเรียนจบปริญญาตรีก่อนถ้าเกิดไปบวชแล้วเกิด เปลี่ยนใจไม่อยากจะบวชก็อย่างน้อยก็มีความรู้ทางโลกมารองรับให้เป็นที่พึ่งได้แต่ถ้าเรียนไม่จบทางโลกแล้วไปบวช้วถ้าเกิดเปลี่ยนใจอยากจะเสื็จขึ้นมาอนาคตจะลําบากจะไม่มีวิชาความรู้เอามาเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้แต่ถ้าเขามีความมั่นใจว่าเขาจะบวชแล้วไม่เสด็จ ก, ก็อันนี้ก็เป็นเป็นทางเลือกของเขาเราก็ช่วยไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตาม เราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะไปแล้วอาจจะบรรลุภายในหกเดือนเจ็ดเดือนก็ได้เออก็แล้วแต่เขาการที่เราไปประคับประคองเหมือนพยายามต่อต้านไม่ให้เขาบวชเนี่ยไม่ควรไม่ควรไม่ควรเหตการไม่บวช น, นี่มันเป็นเป็นการกระทําที่ดีที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องให้ชี้ให้เขาเห็นทางว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาไปแล้วเกิดเขาเปลี่ยนใจที่หนัง เพราะไม่น่ไปบวชแล้วอาจจะไปเจอภาพไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เสื่อมศรัทธาขึ้นมาหรือบวชแล้วไม่มีความสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ก็จะสึกออกมาสึกออกมาถ้าไม่มีวิชาความรู้ก็จะลาบากก็ต้องไปเป็นลูกจ้างใช้แรงงานทำงานก็ เ, น เ, เห็นภาพไม่ก็เห็นวาภาพไม่ก็เห็นทางเลือกว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเรียนจบปริญญาแล้วไปบวชแล้วถ้าเกิดสึกขึ้นมา ไม่ได้ก็ยังกลับมาบวชต่อไดไอ้กลับมาทํา ง, งานต่อได้ตอนนี้ที่นี่ก็มีคนที่เป็นหมอเป็นหมอสันทางหัวใจก็มาบวชแต่เขาเป็นหมอสันไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาบวชแล้วเสร็จเขาก็กลับไปทํางานต่อได้แต่ถ้าเขาไม่ได้เรียนเลยพอจบหกแล้วก็บวชนี้แล้วเดี๋ยว เ, เกิดพอเสร็จไปแล้วจะไปทําอะไร แต่เราไม่สามารถที่จะไปเดินเดินเดินชีวิตของเขาได้เราเ ป, เป็นเหมือนกับเป็นผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุนเขาไม่ว่าเขาจะเลือกทางใดทางหนึ่งมันก็ดีทั้งสองทางเขาอาจจะแย้งว่าถ้าเกิดรอเรียนให้จบปริญญาเกิดอาจจะตายไปก่อนก็ได้แต่ถ้าก็มีปรญญาระดับนั้นเราก็ต้องยกให้เขาไปแล้ว มีในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีมีลูกชายอยู่คนเดียวก็ไม่อยากให้บวชแต่ลูกก็อยากจะบวชอ่าแต่เศรษฐีก็เสียถ้าลูกบวชก็จะไม่มีใครมารับสมบัติเพราะเป็นลูกคนเดียวก็ไม่ยอมให้บวชขออนุญาตก็ไม่ให้บวชลูกชายก็เลยตัดสินใจอดข้าวไม่ยอมกินข้าวถ้าไม่ได้บวชก็จะยอมตายยอมอดตาย พ่อแม่ก็ไปเรียกเพื่อนฝูงของลูกๆให้มากล่อมกล่องอยังไงก็ไม่ยอมแต่ที่สุดพ่อแม่ก็เลยต้องยอมให้เขาบวชอันี้แสดงว่าเขามีความแน่วแน่ต่อการบวชอันนี้เราก็ไปขวางทางเขาไม่ได้แพระพุทธเจ้าท่านก็หนีไปถ้าถ้าบอกก็คงไม่ได้ไปถ้าขออนุญาตก็คงจะไม่ได้ไปก็เลยต้องหนีไป งั้นการไปบวชนี้มันเป็นเรื่องของเขาถ้าเขาพร้อมคนจะไปจริงๆเราก็ไม่ควรที่จะไปห้ามเพราะเขาถ้าเขาไปพร้อมเขาจะไปดีแน่ๆอย่างพระพุทธเจ้าก็ไปดีเ ม, มิร์ดเมย์กันไมอี่สักสองสามคำถามจะปิดไปละจะหมดละคาถามจากคุณโสภพาพานันธ์ ที่ฉันทำบุญสร้างพระแล้วพูดว่าบุญกุศลนี้สาเร็จกับนายกอและนายขอถ้าทั้งสองยังมีชีวิตขอถามว่านายกอกับนายขอจะได้บุญหรือไม่คะไม่ได้หรอกบุญใครบุญมันก็อยากก็อยากจะได้เขาก็ต้องมาทำบุญกับเราแต่บุญที่เราอุทิศคนตายนี้เป็นบุญนิดเดียวสมมติเราทำร้อยหนึ่งเราอุทิศไปได้แค่บาทเดียวเดี๋วเราอย่ามาคิดถึงเรื่องบุญอุทิศ บุญในที่นี้มันเป็นเรื่องที่ว่ า, วามันทําได้แท่นั้นสําหรับคนที่ตายไปแล้วแต่คนที่มีชีวิตอยู่นี้ถ้าอยากจะได้บุญต้องทําเองจะได้บุญเยอะกว่าคําถามจากคุณล็อกมีคนเคยพูดว่าถ้าแต่งงานแล้วไปบวชพ่อแม่จะไม่ได้บุญมากเท่ากับภรรยาและลูกจริงไหมครับไม่จริงหรอกบวชนี่ไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่หรือลูกหรือภรรยาคนบวชนะได้บุญ ส่วนคนที่เป็นพ่อแม่ภะรยาและลูกอาจจะได้ผลพลอยได้จากการบวชก็คือได้เกาะชายผ้าเหลืองเือพอลูกบวชพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกก็ไปเยี่ยมลูกก็ไปวัดไปทําบุญปกติถ้าลูกไม่บวชก็ไม่ไปวัดไม่ได้ทําบุญเข้าใจไหมพอลูกบวชก็ต้องไปไปวัดไปเยี่ยมลูกก็ไปทําบุญไปพังเทศฟังธรรมแล้วบางทีบางทีลูกศึกแล้วพ่อแม่ยังไปวัดต่อ เพราะว่าติดใจติดใจว่าทาบุญก็มีความสุขฟังเทศฟังธรรมแล้วได้ปัญญาก็เลยไ ป, ไปลูกศึกไปแล้วก็ยังไปอยู่อันนี้แต่ถ้าลูกบวชแล้วพ่อแม่ไม่ได้ไปลูกเมีย ไ, ไ, ไม่ได้ไปวัดไปไปเยี่ยมไม่ได้ไปทาบุญก็ไม่ได้อะไรคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการกระทำอาจินกรรมอย่างไรจึงจะเป็นนิสัยให้เราตอบภพตอชาติ หรือตัดภพตัดชาติคะหมายถึงเป็นนิสัยปัจจัยในภพชาต่อๆ่อก็ทําอะไรไปมันก็จะติดเป็นนิสัยสูบบุหรี่มันก็จะติดเป็นนิสัยเดิ่มโซลาก็จะติดเป็นนิสัยใส่บาตรมันก็จะติดเป็นนิสัยถ้าเราทําอะไรเป็นประจํามันจะเป็นนิสัยขึ้นมาฉะนั้นเราควรจะทําสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีทําให้มันเป็นนิสัยเช่นใส่บาตรทาบุญเป็นประจํารักษาศีลเป็นประจํา นั่งสมาธิทุกวันนี้มันก็จะต่อไปมันก็จะเป็นนิสัยขึ้นมาหมดแล้วใช่ไหมอ๋ออีกคำถามหนึ่งคำถามจากคุณสิรินภาวังสมาธิเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าเกิดอีกต้องทำอย่างไรคะ อ, อ่อมันเป็นผลที่จากการเร า, เราควบคุมความคิดของเราไงภาวังนี้เป็นเหมือนหลุมที่เราตีกอล์ฟอ่ะเวลาเราพุโทโธพุโทโธเหมือนเราต้อนลูกกอล์ฟให้มันไปลงหลุม อ๋อมันไปลงหลุมไปมันก็กรอกลงไปแล้วมันก็นิ่งจิตเราก็เหมือนกันพอเราพุทโธพุทโธไปไม่ให้มันไปทางนู้นทางนี้ให้มันอยู่กับพุทโธเดี๋ยวมันก็ไปถึงหลุมหลุมพอถึงหลุมมันก็ตกลงไปกรอกมันก็นิ่งมันก็สงบเรียกว่าผวังเอาแล้วนะแค่นี้ก่อนนะเหนื่อล่ะไม่ใช่อะไรแล้น้ำมันหมดแล้วขอให้ท่านจงนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ